เมื่อมีวัดสัติธรรมเป็นเสมือนรังที่พักอันมั่นคงถาวรแล้วการบาเพ็ญกิจที่เป็นบุญกุศลต่างๆถ้ามีฝ่ายบรรพชิตและครือข่ายญาติโยมก็เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นขณะนั้นพระเนมีมากถึงสาสิแปรูปทางคุณแม่นิมนวนและพี่ๆน้องๆตลอดจนเพื่อนสัต์ธรรมอื่นๆก็ได้ไปรักษาอุโบสถศิล์ถือเนสัจจิก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 ถ้าได้สำเร็จมักผลขึ้นมาบ้างก็ดีไปถ้าไม่ได้ไม่ดีอะไรขึ้นมาแล้วเรามาทรมานทุกทนอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรไปกลับไปนอนเป็นสุขสบายอยู่ที่บ้านเสียไม่ดีกว่าหรือดูเหมือนว่าเธอจะรำพึงราพันยังไม่ทันสิ้นกระแสความคิดนักทัานก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ขึ้นมาว่า บราต้องท้อแท้อ่อนแอรเราต้องหนายแหนงทำมาได้แค่ไหนก็ถือว่าเป็นนิสัยปัจจัยเป็นต้นทุนต่อไปในภายภาคหน้าระวังให้ดีเถอะเจ้าตัวทีนนิตะนี่มันตัวร้ายทีเดียวมันเป็นตัวขัดขวางมรรคผลนิพพานมันนี่แหละที่พามาเกิดมาตายวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบสิ้น คุณแม่นิ่มนวลนยังไปวัดและถือเนสัจิตทุกวันพระอยู่ต่อมาไม่ได้ค่ะดีนะที่ท่านเตือนสติขึ้นมาในคืนนั้นหาไม่เราคงเลิกไปวัดแล้วตั้งแต่วันนั้นเพราะรู้สึกท ร, รมานเหลือเกินหลวงปู่ปกครองพระเ น, นลุกวัดของท่านอย่างอบอุ่นใกล้ชิดเหมือนพ่อดูแลลูกๆภาพในอดีตที่ประทับใจ ที่คุณแม่นิมนวนวอีกภาพหนึ่งก็คือเวลาที่พระเนรอาพาธล้วงปูุท่านจะนั่งเฝ้าไข้อย่างสงบไม่ยอมห่างจนกระทั่งผู้ป่วยอาการดีขึ้นครั้งหนึ่งเนรน้อยนอนสมด้วยโรคพยาธิตัวเหลืองลูกขีดผอมเพราะฉันอาหารไม่ได้เลยแม่ลหลได้เอายาถ่ายพยาธิมาถวายเนรน้อยก็ฉันไม่ได้อาจเจียนออกมา ทำให้แม่ไล่โมโหมากจะบังคับให้ฉันให้ได้แต่หลวงปู่ซึ่นั่งเฝ้าอยู่อย่างใจเย็นได้ปลอบประโลมเนนน้อยของท่านขึ้นว่าวันพรุ่งทะเนอร์ไปบินทบาทได้กล้วยก่อนจะเอายาใส่ในกล้วยให้เนนน้อยฉันจาพรรษาที่ภูหลังกาปีพุทธศักราช2497 โยมบรรดาคนหลวงปู่ถึงแก่กรรมหลวงปู่ที่ได้เดินทางออกจากเชียงใหม่ลงมาที่บ้านบัวอีกครั้งหนึ่งครั้นเสร็จงานชาปน ก, กิจศพโยมบรดาแล้วหลวงปู่ก็ออกเดินทุ่งไปจังหวัดนครพนมทันทีเพื่อจำพรรษาที่ปู่หลังกาปูหลังกาในปัจจุบันแม้ได้รับผลกระทบกระเทือน จากการตัดไม้ทำลายป่าเช่นเดียวกับป่าไม้อื่นๆในภาคตะนออกเชียนเหนือก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดมดิบอยู่มากจึงไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อส0สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนที่หลวงปู่ไปพักจำพรรษานั้นผูลงกาไปที่ส ง, งบวิเวกเพนใดหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่พักที่สุดต้องเดินเป็นวันๆจึงจะถึง เรื่องอาหารการกบฉันจึงฝุดเกลื่อนเป็นที่น้ําใช้น้ําฉันได้อาศัยน้ําที่ไหลรินจากหลังคาถ้าอากาศชื้นมากหลุมปู่ขึ้นไปพับนักอยู่บนภูหลังกาเกือบหนึ่งเดือนจึงได้รับนิมนให้ลงมารัพบพระป่านในหมู่บ้านขากลับไม่เข้าสารได้อาหารแห้งติดขึ้นไปพร้อมทั้งพักที่สุดชื่อส่วนและพ้าขาว ตามขึ้นไปพักอยู่ด้วยแต่ก็อยู่ไม่ได้นานอาจเป็นเพราะสภาพการดำรงชีวิตลำเคยนเกินไปหลวงปู่จึงอยู่เวกที่ปูรลังกาจนกระทั่งออกปรรษาอันกิเลเห็นกันนอนหลวงปู่เคยอบรมวิธีการภาวนาแก้ไขไว้ดังนี้สมมติว่าผู้ถือว่านอนเป็นสุขถ้าได้นอนแล้ว ก็ว่าเป็นสุขสบายก็ให้ภาวนาให้จิตใจเป็นบริรสุทธิ์หลดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะใช่ก่อนจะนอนอย่างไรก็ได้จะกินอย่างไรก็ได้แต่ถ้ากิเลสมันมไม่หมดไม่หายไปเสก่อนก็ไปติดแค่นอนแค่กินแล้วก็ไปไม่ได้ละ่ะท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าปลาที่มันติดเบ็ดเขาเอาเหยื่อล่อแล้ว เจ้าปลาช่อนปลาดุกปาลาไหลปลาไม่ไหลอะไรก็ตามไม่เห็นเหยื่อเข้าเหยื่อที่เคยกินนั่นแหละเขาเสียบเบ็ดในนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นอาหารโอชาคาบเข้าไปเหล็กงอที่อยู่ข้างในมันก็เกาะปากเมื่อเกิลงไปจนติดปุงข้างในแล้วดึงไม่ได้หลักดึงไม่ขาดสายเบ็ดเขาก็เอาไหมาทาด้วยมันทนดี แล้วปลามันก็ดึงไม่ขา ด, ดเวลาชกของเขามาแล้วก็เอาปลาติดเม็ดไปกินเป็นอาหารคนที่หลงไหลในรสอาหารการกินก็ระวังเหมือนปลาติดเบ็ดตายตายลูกเดียวฉะนั้นต้องภาวนาแก้ถ้าผู้ใดเห็นแก่การนอนการหลับไม่ลุกขึ้นภาวนาแก้ถ้าแก่ไม่ได้เกิดตายไปเป็นงูหละเป็นงู กินรูในโพรงให้หัวปลวกนอนอยู่ในนั้นแหละมันชอบนอนฉะนั้นมันเป็นถึงขั้นงูแล้วไม่มีทางแก้ถ้านักงูมาเห็นเขาก็เอาไปต้มไปแกงละเราผู้หลงกินหลงนอนก็เลยเป็นทุกข์ต้องแก้ม่ให้มันง่วงให้ตามมันสายอยู่ข้างในอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีให้มันมองเห็น ไม่ให้ใจลหลงไหลในอาหารการกินถ้าหลงไหลในอาหารการกินก็เป็นงูเหลือมงูใหญ่นอนอึง้งลึงอยู่นั่นแหละฉะนั้นให้ภากกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาให้จิตมองเห็นทุกเห็นโทษในรูปในนามในกายในจิตในเรื่องจิตเรามาติดมาขัดมาคล้องแล้วมาหลงอยู่เรื่องใด ไ็ใแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ย่างอื่นไม่ตกก็ให้แก้ลงไปสู่ความตายดูกคนเราเวลาจะตายมันกินอะไรได้บ้างสีแรกก็กินอาหารได้ถ้าเมื่อใกล้จะตายเกิดโรคเกิดภัยมากินข้าวบะลำ้ำกินน้ำบะลงกินข้าวไม่อร่อยดื่มน้ำไม่อร่อยมันใกล้เข้าไปละใกล้วรณกรรมฐานหนักเข้า อาหารก็กินไม่ได้น้ำร่มดื่มไม่ได้ผลที่สุดปิดหมดหมอแพทย์ก็แก้ไขเจาะหน้าท้องเอาอาหารเข้าไปอีกมันก็ไม่รับอยู่นั่นแหละมันถึงเวลาแล้วฉะนั้นเราต้องพิจรารณาให้มันรู้ในใจของเราเองท้องของเราเองเกิดมาในโลกหลายสิบปีอย่าให้ผู้อื่นเจาะท้องของเราเพราะหลงไหลในรสอาหาร ฉะนั้นต้องแก้ไขตัวเองที่ภูหลังกามันมีต้นลูกแคนขึ้นอยู่แยะซึ่งจะอื่นไม่มีหลวงปู่เล่าถึงอาหารของท่านต่อส่วนมากก็ฉันหน่อไม้ลูกแคนแทงข้าวทม่อยู่วันหนึ่งให้ฉันหัวกรอยแต่ก็ขันคอแทบแย่อันหัวกรอยที่หลวงปู่พูดถึงนี้ในท้องที่ธุรกันดาน เขาใช้เป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตแทนข้าวได้เช่นเดียวกับหัวเผือกวัวมันแต่ก่อนจะเอามาเป็นอาหารต้องเอาหัวกลอยสดมาเฉือนเป็นชิ้นบางๆแช่น้ําไว้จนจืดสนิทก่อนถ้ายังไม่จืดก็ขันคออย่างหลปู่นั่นแหละจากนั้นก็ออกมาเนึ่งกับมะพร้าวขูดโรยน้ําตาลทรายและจับขยำกับกล้วยสุก พอใบตองแล้วติ้งไปก็จะหอมหวานอร่อยยิ่งขึ้นคนอีสานเขากินกันอย่างนั้นแต่ทางภาคกลางเห็นนิยมนึ่งผสมกับข้าวเหนียวมูนเรียกว่าข้าวเหนียวกรอยก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งหลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2498หลวงปู่ได้จำพรรษาที่วัดสันติธรรม จนกระขั่งในวันที่ห้ธันวาคมพุทธศักราช2502หลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์ทะครูชันติวรยานอย่างความเพื่งปิติอินดีแก่บรรดาศิษยานุศิกโดยทั่วกัน 6. ทถ้ำผาปร่องช่วงปีพุทธศักราช2498ถึง2503 ซึ่งเป็นปัรษาที่27ถึง32องขอหลวงปู่หลวงปู่ได้พักจำพรรษาที่วัดสถิตธรรมบรมตลอดในตอนปลายปี2502ต่อตอนต้นปี2503ได้มีพระลูกศิษย์ขอหลวงปู่ไปพบท่ามปากเตียงเช่นอยู่ที่ํำบนบ้านถ้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และได้อยู่ภาวนาบ่อยครั้งด้วยเป็นที่ส ง, งบสงัด รมเรือนและน้ำท่าอุดมสมบูรณ์หลวงปู่ได้เดินทางมาสำรวจและเข้าปฏิบัติธรรมในถ้ำปากเปียงนี้ด้วยวันหนึ่งในฤดูหนาวปีพุทธศักราช 2,503 ระหว่างที่หลวงปู่ไะพักภาวนาที่ถ้ำปากเปียงหลวงติก๊กคนบ้านถ้ำได้เป็นคนนำทางพาหลวงปู่ปีนป่ายภูเขาขึ้นไปตามซอกล็ก พัวสะหาบ้านที่แท้จริงของท่านหลวงปู่มาภาวนาที่ถ้ำปากเตียงนานมาแล้วหลวงติปเริ่มเล่าเรื่องเก่าๆมาแล้วก็กลับไปไปแล้วก็กลับมาอีกท่านมองหาถา้ำที่อยู่สักแห่งหนึ่งยังไม่ถูกใจถ้ำปากเปียงปารพกับผมว่าอยากได้ถ้ำที่กว้างและอยู่สูงสักหน่อยกิเลสจะได้เข้าหายาก ท่านว่าอย่างนั้นถ้ำปาปล่องนี้อยู่ทางทิศเหนือของถ้ำหลวงเชียงดาวมีลักษณะแปลกคือไม่ใช่เป็นถ้ำที่เว้าเข้าไปในตัวภูเขาเหมือนถ้ำมืออื่นแต่แยกตัวออกมาอยู่ข้างๆมีทางเดินรอบราวกับธรรมชาติได้สร้างโดยเฉพาะหลวงปู่เล่า ว, ว่าเป็นถ้ำขึ้นมาได้เพราะหินก้อนใหญ่ๆสองก้อนเกิดหล่นลงมา จากภูเขาแต่ไม่กลิ้งตกลงไปในเหวไปหยุดอยู่ที่ตีนเขาแล้วเอายอดชนกันไว้ทำให้เกิดเป็นช่องว่างกว้างขวางทางด้านหน้าถ้ำมีทางทะลุไปทางด้านหลังกว้างขนาดประตูบานใหญ่ๆสองบานรูปร่างของถ้ำเหมือนถุงกาแฟก้นขาดวางว่วในแนวนอนอย่างไรอย่างนั้นอันที่จริงไม่น่าเรียกว่าถ้ำลักษณะก้อนหิน อายอดชนการเป็นหลังคานั้นดูเหมือนกระดอบมากกว่าเพียงแต่ว่าเป็นกระดอบหินขนาดมือ ม, มาเท่านั้นเองผมขึ้นมาตัดไม้ที่นั่นมาเจอถ้ำใ้เข้าลวงติ๊บเล่าต่อตอนนั้นนีแต่เถาวันปกคลุมรกลุงรังเต็มไปหมดข้างในถ้ำนีแต่ที่เลียนผาเหมือนอับแล้วก็ชื้นมากคิดว่าถ้าหลวงปู่ไม่เอาผมก็จะขึ้นมาอยู่ทําสวนกล้วย แต่พอเห็นถ้ำท่านก็ชอบใจมากตกลงพักในถ้ำคืนนั้นเลยท่านชี้ให้ผมทําแคร่แล้ท่านนอนตรงนั้นรุ่มติบหมายถึงตรงที่กลางโขดหลงปู่ในปัจจุบันท่านจําวัดที่นั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นขณะที่ในถ้ำมีเพียงแคร่อันเดียวจนถึงตอนนี้ถ้ำพัฒนาไปมากบางคนมาเที่ยวถ้ำผาปล่องในปัจจุบันได้เห็นความสะดวกสบาย ทานสมัยต่างๆแล้วก็ชอบใจทั้งกับออกอุทานว่าโอ้โหดีจังเลยนะเธอถ้าฉันบวชชีจะมาอยู่ที่วัดนี้แหละคงนึกภาพไม่ออกเลยว่าหลวงปู่พร้อมด้วยสานิสิทธิ์ผู้บุกเบิกท่านนอนกลางดินกินกลางทรายแถมดมขี้เลียงผามานักต่อ น, นักก่อนหน้านี้หลวงปู่เล่าว่าตอนมาใหม่ๆได้เจอครบหินอันหนึ่ง กับศากสองอันแสดงว่าคนสมัยก่อนที่อยู่ถ้มผาปล่องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตำรากไม้ใบไม้กินปัญญาแต่ตอนตายครกหินมนหนักเอาไปด้วยบ่ได้หลวงปู่พักค้างคืนบนถา้าผาปล่องหนึ่งคืนแล้วก็ลงไปพักที่ถ้าปักเพียงต่อหลังจากนั้นแล้วท่านก็วะเวียนไปพักอีกเสมอเสมอ รับภาระสำคัญในปีพุทธศักราช2504ท่านพระอาจารย์ลีธรรมธโรเจ้าอาวาสวัดอสโศการามจังหวัดสมุทรปราการได้มรณภาพลงทางคณะสงฆ์จึงลงมติขอให้ลวงปู่รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสซึ่งระหว่างนี้หลวงปู่ต้องเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่อยู่เป็นประจำ แต่ทุกครั้งที่ขึ้นมาเชียงใหม่ท่านต้องหาโอกาสมาพักที่ถ้ำผาป่องเสมอๆการตรัสตรำกับภาระอันหนักในช่วงนี้ทำให้สุขภาพขอหลวงปูทรุดโทมลงอย่างมากสำหรับการก่อสร้างพระอุโบสถวสันติธรรมที่อย่างค้างคอยู่นั้นเนื่องจากสร้างค่อยเป็นค่อยไปหากหมดทุนะครั์ก็หยุดพักการก่อสร้างไว้ ทางคณะศิษย์วัดอโศการามเมื่อทราบเข้าแล้วจี่ได้พร้อมใจกันรวบรวมทุนทรัพย์ได้ถึงส0 0แสนบาทสา ม, มารถคลายความกังวลของหลวงปู่ได้เป็นอย่างมากทั้งที่ร่องนี้หลวงปู่ไม่ได้เอ่ยปากบอกบุญใครเลยและปลายปีพุทธศักราช2506หลวงปู่ได้สั่งการท่านพระมหาทองอินให้มาอยู่จำพรรษาที่วัดสันติธรรม เพื่อดูแลก า, การก่อสร้างพระอุโบสถแทนจนปลายหลังมันได้เสร็จในปี2513หลวงปู่เคยอาภาตด้วยโรคไตในปลายปีพุทธศักราช2506จนถึงปีพุทธศักราช2508อาการของโรคกำเริบขึ้นท่านจึงอําลาวัดอโศการามไปพักรักษาตัวและจำพรรษา ซึว่าสุดท่าว่าจังหวัดสกลนครในปีพุทธศักราช2509ในฐานะเจ้าอาวาสจนถึงปีพุทธศักราช2510เ้25ื่อปัญหาสุขภาพของหลวงปู่หลวงปู่จึงได้ตัดสินใจวางภารกิจต่างๆโดยลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทุกวัดซึ่งท่านดูแลอยู่จากนั้นท่านก็มาจำพรรษา ณถ้ำผ่าปล่องเป็นระยะเวลานานติดต่อกันหลายภรษาเพื่อพัฒนาถ้ำปาปล่องให้เป็นอาวาสอันถาวรของท่านเสด็จไปกระทั่งได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสันติสังคารามบ้านบัวตำบลสว่างอเภอพนนิคมจัังหวดสกลนครในปีพุทธศักราช2519ถึงพุทธศักราช 2,520 เพื่อสร้างโบสถ์ที่สร้างขางไว้ให้สำเร็จแล้วจึงกลับมาจำพรรษาที่ทำป่าปล่องตลอดมาเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บไข้หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านอาจารย์มั่นถ้ามีผู้เจ็บไข้ท่านไม่ให้นอนส้มเกินไปให้ใช้กำลังใจเข้าต่อสู้ด้วยถ้าพอลุกนั่งยืนเดินหรือออกกิจธบาตได้ ก็ไม่ให้นอนอยู่เฉยๆต้องเข้มแข็งต่อสู้กับพยาธินั้นด้วยกำลังใจเมื่อใจิตใจมีกำลังมักหายเจ็บไข้ได้เร็วถ้าใจิตใจท้อแท้เอาแต่นอนทรงเป็นน้อยก็กลายเป็นมากบางทีถึงตายเอา ง, ง่ายๆสาหายธรรมอําลาในปีพุทธศักราช2516 หลวงปู่ตื้ออาจรัฐธรรมโมสหายรัากองหลวงปู่ได้บอกคำลาให้คราวที่หลวงปู่ไปเยี่ยมท่านที่อำเภอสันกำแพงว่าผมจะขอลาท่านกลับไปบ้านเกิดจะเอาสังขารไปทิ้งที่นั่นคงจะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกผมมีความลับจะบอกท่านอยู่เรื่องหนึ่งผมรักษาเอาไว้ส4สปีนี้แล้วเมื่อครั้งหลวงปู่มั่น ยังอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนท่านจะกลับไปอุดรธานีท่านได้พยากรไว้ว่าสิทธิ์รุ่นต่อไปที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังคือท่านสิมจากท่านมหาบัวนี่แหละต่อมาลุงปู่ตือ้อก็ได้เดินทางกลับบ้านค่าตำบลท่าบอ่ออำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมที่ที่เป็นบ้านเกิดของท่าน หลวงปู่ไปต่างประเทศปีพุทธศักราช2518หลวงปู่ได้เดินทางไปสังเวชนียสถานที่อินเดียการเดินทางครั้งนั้นคณะสิทธิ์ที่ร่วมเดินทางไปด้วยต่างประทับใจในบารมีของหลวงปู่ช่วยแก้จัดปัญหาต่างๆเป็นต้นว่าปัญหาตัวเครื่องบินไม่มีและปัญหาโรงแรมที่พัก ทำให้พระครูองค์หนึ่งซึ่งเพิ่งรู้จักหลวงปู่และร่วมเดินทางไปกับคณะทั้งมีโอกาสใกล้ชิดและจําวัดกับหลวงปู่ด้วยกระชิบกับคณะศิษย์ที่ไปว่าให้ติดตามหลวงปู่ให้ดีนะหลวงปู่นี่แหละพระแท้อัตมาที่สุดจนสิ้นสงสัยแล้วแม้ตัวพระครูเองก็ไม่กล้าเห็กายจําวัดเสมอกับหลวงปู่ปัจจุบันทราบว่า ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยวัดหนึ่งในต่างประเทศลูกศิษย์ที่ติดตามท่านไปด้วยเล่าให้ฟังว่าหลุงปู่ประทับใจในสังเวชนียสถานเป็นอันมากตลอดถึงสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในพระพุทธประวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพิจกูดและบริเวณเขาและถ้ำที่แกะสลักเรื่องราวในพุทธประวัติลวงปู่ จะพาปฏิบัติสมาธิภาวนาบ้างเวียนเทียนบ้างและหลวงปู่เองก็ป่ารบธรรมให้ฟังเสมอเสมอในสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ที่แน่ๆที่ทั้งคณะผู้ติดตามยอมรับเป็นเหยงเดียวกันก็คือไม่เคยมีใครเดินตามหลวงปู่ไดทันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางขึ้นเขาหลวงปู่ ได้เดินทางไปอินเดียอีกครั้งในปีพุทธศักราช2523นอกจากนี้แล้วหลวงปู่ยังได้มีโอกาสเดินทางไปที่ปีนังประเทศมาเลเซียกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตลอดถึงทวีปยุโรปและอเมริกาอีกด้วยหลวงปู่กับงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชนที่ว่านับเป็นงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันทั้งฝ่ายบัณชิตและคารวาดและผลของงานก็ได้ก่อประโยชน์อนเนกอันนันชิ้นหนึ่งกลอง้งปูกก็คืองานสร้างฝ่ายน้ำล้นก้านลำน้ำอูนเนื่องจากความแห้งแลง้งที่เกิดขึ้นในนําน้ำอุนส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อชาวบ้านที่ฝากชีวิตไว้กับลำน้ำอุน่นซึ่งได้แก่ชาวบ้านตำบลสวา่างตำบลเชิงชุมของเขตอำเภอพนนิคมและชาวบ้านตำบลขมิ้นตำบลห น, นองลาดของเขตอำเภอเมืองสกนครซึ่งอยู่คนละ้าของลำน้ำอุ่นแห่งนี้ดังนั้นในปีพุทธศักราช2521ภายหลังจำพัรษา ที่วัดสันติสังคารามหลวงปู่ก็ได้รับการอาราธนาจากชาวบ้านทั้งจีงบตำบลในสองเขตอำเภอให้มาเป็นประธานในการสร้างฝายน้ำร้นกั้นลำน้ำอูนแห่งนี้และภายหลังจะได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรม ก, การดำเนินงานทั้งฝ่ายบรรพชิตและครวาดในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2521 บริคอสรุปว่าจะสร้างฝ่ายกันที่ท่าวังหินซึ่งก็คือบริเวณสำนักสงฆ์เวรุวันสันติวรยาณหรือท่าวังหินในปัจจุบันที่ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเห็นควรจะเริ่มงานกันวันไหนหลวง ป, ปู่ก็ว่าให้เริ่มงานกันวันนี้เลยดังนั้นเมื่อประชุมเสร็จหลวง ป, ปู่ก็ได้พาตเตรียมสถานที่จุดค่า ม, มืด ของวันที่ประชุมนั่นเองนี้จริงสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของหลวงปู่ที่เด่นชัดมากในเรื่องของความเป็นผู้เอาใจใส่และรับผิดชอบในภารกิจเรียกว่าต้องลงมือกันเดียวนั้นและต้องทำกันให้สำเร็จหลวงปู่เป็นผู้มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทนพูดจริงทำจริงซ จ, ะ, จะมั่นคง เป็นผู้ไม่มากโหรหารงานก่อสร้างเริ่มจากพระเนรและชาวบ้านทั้งชายหญิงเด็กคนชรารวมกันประมาณสองร้อชีวิตช่วยกันขนหินจากป่าบ้านหนองลาดโดยพระจะช่วยกันงัดหินและทุบหินก้อนใหญ่ให้แตกเป็นหินก้อนเล็กพอที่จะขนได้สะดวกขึ้นทุกวันหลวงปู่จะพาเริ่มงานตั้งแต่ตีสี่ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นพอสิบโมงเช้าจึงพักจันอาหารส่วนอาหารหลักของชาวบ้านก็คือตำหมักหุ่งหรือตามะละกอหลังอาหารเสร็จแล้วก็เริ่ม ง, งานกันต่อจนมืดคำ่ำพอถึงเวลาหนึ่งพุ่มลุงปู่ก็จะพาสวดมนต์และฝังเทศเสร็จแล้วจึงเริ่มทิ้งหินลงในกอกไม้ที่สร้างไว้ตลอดแนวฝายกว่าจะจาวัดได้ สี่ทุ่มหรือบางวันอาจจะติดพันจนถึงตีหนึ่งตีสองเป็นดังนี้ตลอดระยะเวลาประมาณสี่เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม2521้าอบางคืนฝนตกพระเนรซึ่งใช้บริเวณป่าที่กนหินเป็นที่กลางกฎดจำวัดก็มีอ่านต้องนั่งหลับอยู่ในกฎนั่นเองในช่วงท้าย ของการสร้างฝายได้มีพระลูกศิษย์ของหลวงปู่รูปหนึ่งได้รับความคับข้องใจอย่างมากจากคำนินทาว่าร้ายจนถึงขนาดคิดจะหนีไปที่ที่อื่นโดยไม่บอกลากใครตื่นเช้าพอเข้าไปใกล้หลวงปู่หลวงปู่ก็ถามขึ้นว่าท่านท่านห้ามเสียงกบเสียงเคียดไม่ร้องได้ไหมเพียงคำพูดประโยคเดียวก่หลวงปู่ ก็สามารถยังความสงบเย็นจะดวงใจของทศผูนันได้หลวงปู่ได้เมตตาพูดเตือนสติอีกว่าที่กบเขียดมันร้องเท่ากับมันฆ่าตัวเองฆ่าอย่างไรหลวงปู่อธิบายว่ากบเขียดมันร้องว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เมื่อคนได้ยินก็จะมาจับไปกิน คำหนึ่ง่าร้ายก็เหมือนกันเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาว่ามันจะฆ่าก็ฆ่ากดว่านั่นเอง